ฟังพระปฏิโมกจบลงสักครูน่นี้วันนี้ตรงกับวันที่หเมษายนพุทธศักราช2555ห้าสบห้าขึ้นส5บห้าค่ำเดือนห้าที่พวกเราฟังจบลงไปคือฟังพระปฏิโมกศีลและวินยัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ให้พระสงฆ์ ปฏิบัติเราบ่าเป็นข้อห้ามสำหรับพระไ ม, ม่ให้กระทมีอยู่227สิกขาบทแต่สินอภิธรรมอาจารย์มากกว่าอันนี้สินสนมาในพระปฏิโมกข์สิน227ที่พวกเราฟังจบสักครู่นี้ แต่ศีลอภิสมาจารย์มากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไหร่มากทีเดียวเป็นหลายร้อยหลายพันศิกขาบทถ้าเราได้ไปศึกษาในประไตรปิฎกแต่สรุปแล้วก็คือให้พระสงฆ์อยู่ในกรอบให้มีกิริยามา ร, รยาทที่ดีไม่ให้ทมออกนอกรูนอกทางอย่างที่พวกเราได้ฟังจบโรงศสักครูนี้ อย่างเสกียวัตรวัดที่ภิกษุจะต้องศึกษาเราจกไม่ฉันดังจับจับเราจะไม่ฉันทังสูดสูดเราจะไม่ฉันเลียมือเราจกไม่ฉันเลียริมฝีปากเราจะไม่ฉันกัดคำข้าวเราจะไม่ฉันทำกับพุงแก้มให้ตุยเนี่ยสรุปแล้วก็คือกิริยามารยาททั้งนั้นอันนี้คือคือศีลปรับอบัตทุกกฏ แก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามนักนเป็นข้อห้ามที่พวกเราฟังจบลงสักครูน่นี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเป็นชิขบทอย่างไรมันมีคำแปลอยู่แล้วในนวุวาตก็มีในพระปฏิโมกหน้าหนึ่งอัดหน้าหนึ่งแปลก็มีพวกเราจะอ่านจะศึกษาดูก็ได้ อันนี้คือศีลและวินยัยพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วศีลและวินัยยังอยู่ตราบใดศาสนาของทถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นเพราะฉะนั้นทเรื่องวินยัยเรื่องศีลเราจะมองข้ามไม่ได้คือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันพระพุทธเจ้าบัญญัติวินยัยบัญญัติศีลศีลคือวินยัยวินัยคือศีล คือกฎระเบียบสุดแท้แต่เราจะเรียกตัวทุกวันนี้เขาเรียกว่ากฎหมายถ้าเป็นทางโลกเขาเรียกว่ากฎหมายกฎหมายปกครองประเทศกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งเขาก็ว่าแต่นี่ก็ในพระวินัยของพระคือว่าศีลของพระหรือวินัยของพระโทษประหารมีอยู่สี่โทษหนัก สังคาธิเศษมีอยู่สิบสามโทษให้ค้ายว่าตั้งความสงสัยยังไม่แน่นอนอีกสองเรียกว่าอนิยศจากนั้นก็นิจคีรีปาจิตตีสามสิบปาจิตตีเก้าสิบสองอันนี้เป็นอาบัติเบาลงมาแล้วจากนั้นก็อาบัติทุกกฎเจ็ดสิบห้า อธิกรณะสมถะปฏิเทชนิย 4, ะสี่เศริวัเจ็ดสห้าอธิกรณะสมถะเจ็ดอันนี้ก็คือพระวินัยหรือสินของพระสงฆ์ที่พวกเราได้ฟังจบลงสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าบัญญัติในครั้งกนันุเมื่อสอง0ันกว่าปี แต่ทุกสิบห้าวันพระสงฆ์จะต้องนําขึ้นมาสวดให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่ว่าพวกเราไม่ได้สวดทุกสิบห้าวันต่างคนก็ต่างอยู่เฉยเฉยเมื่อยไปผลที่สุดก็ศีลและวินัยของพระพุทธเจ้างคงจะหมดโดยปริยายเพราะไม่ให้ความสําคัญนี้ถ้าว่าพระสงฆ์กลุ่มใดถ้านับแต่สีองค์ขึ้นไป ไม่ลงอุโบสถไม่สวดพระปฏิโมกปรับอบัติทุกกฎผิดศีลเพราะนั้นพวกเราจึงได้ลงอุโบสถสวดพระปฏิโมกทุกกลึงเดือนสิบห้าคำ่ำเกิดสิบห้าค่าแรมสิบห้าค่ำทั้งเดือนดับเดือนเพนทุกกลึงเดือนสวดพระปฏิโมกอย่างเนี้ยสรุปแล้วก็คือให้ พระสงฆ์ทุกองค์เว้นเสียแต่อาพาธถ้าอาพาธก็ต้องมอบฉันทะจะปล่อยปละเลยไม่ได้ต้องมอบฉันทะพระต้องไปบอกให้ไปบอกว่ามอบฉันทะเมื่อลงอุโบสถเสร็จเจรอยแล้วพระสี่องค์ก็ต้องไปหาพระองค์ที่ป่วยให้บอกปริสุทธิปริสุทธโธอหังพันเตปริสุทธโธติ มังสร้างโคทาเลทะคือบอกปริจุในสงฆ์้างสีรค่สรุปแล้วก็คือเรื่องพเรื่องปฏิโมกเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ให้มองข้ามไม่ให้มองข้ามให้ทุกองค์ให้ความสำคัญสมัยก่อนสมัยหนึ่งพ ร, พระมหากบะนิ่ย อยู่ในพระไตรปิฎกพระมหาก บ, บินท่านสําเร็จเป็นพระทหารแล้วท่านเป็นพระเจ้าเป็นดินบวชออกมาบวชท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระทหารเมื่อท่านได้สาเร็จเป็นพระทหารวันอุโบสถอย่างนี้นะท่านบอกเราไม่คกเราไม่ไปหรอกลงโบสถเราจะเข้าฌานสมาบัติเพราะว่าเราบริสุทธิ์แล้วใจของเราบริสุทธิ์แล้ว วาจาและกายจะให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรเพราะใจของเราเป็นผู้สั่งให้กระทำท่านก็ไม่ลงอุโบสถในเมื่อไม่ลงอุโบสถพระพุทธเจ้าท่านมองดูพระสงฆ์ของท่านด้วยทิพระจักษุด้วยทิพะโสตะหูทิปตาทิพท่านก็เห็นโอ้มหมากบินเนี่ยไม่ลงอุโบสถ ไม่ได้นะทําเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะว่าต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยองไหนจะดื้อรั้นหรือว่าองไหนจะไม่ลงอุโบสถก็จะยึดเป็นแนวแถวอย่างนี้ไม่ถูกต้องทําให้ศาสนาของเราบทไปโดยง่ายเพราะผู้ที่มักง่ายจะเอาเป็นตัวอย่างตระพระโธองก็ เดลมมตรไปเหยียบพระบาทลงตรงใกล้ๆที่พระมหากบินเข้านิโรธสมาบัติคือเข้าสมเข้าพระนิพพานอย่างที่ผมได้พูดเข้าพระนิพพานเข้าเสวยพระนิพพานนั่นเรียกว่าอุ ป, ปาทิเสจนิพพานเข้าสู่นิพพานขณะยังมีชีวิตอยู่ที่ผมว่าเข้าฌาน พระองค์พระพุทธเจ้าไปเหยียบพระบาทเขียบรอยเท้าไว้ใกล้กับพระทีละนั่งเข้าฌานนั่นแหละพอท่านออกมาจากฌานท่านก็เห็นรอยพระบาทพระพุทธเจ้าท่านก็มอง ล, ลูกเลยว่าอือันนี้ลอยพระบาทพระพุทธเจ้าโอเรื่องอะไรกันเนี่ยท่านก็รีบมากราบพระพุทธเจ้าพอมากราบพระพุทธองค์ก็เตือนมหากบินเธอได้สําเร็จเป็น พระหันก็จริงเป็นผู้ผลิทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาและทางใจแต่ว่าต่อไปภายภาคหน้าถ้าองค์ไหนพระสงฆ์ขี้เกียจมาลงอุโบสถทึบขี้เกียจเข้ามาไปชุมสงฆ์จะจึดแนวแถวของท่านมาเป็นแบบอย่างไม่เป็นผลดีต่อศาสนาของเราตถาคตเพราะนั้นขอให้พวกท่านทั้งหลายต้องลงอุโบสถทุกวันอุโบสถ นขนาดพระอหันต์ท่านยังไม่ให้ยกเว้นนะทั้งที่ท่านเป็นพระอหันต์หมดจดจากกิเลสใจของท่านบริสุทธิ์แล้วแล้วกายวาจาจะไปทําอะไรเพราะใจของท่านบริสุทธิ์แล้วแต่ถึงยังไงพระพุทธเจ้าก็อันความบริสุทธิ์นั่นก็คือบริสุทธิ์แต่ว่ากฎระเบียบคือกฎระเบียบที่จะต้องลงเพราะนั้นวันทุกวันอุโบสถทุกกลึ่งเดือนจะต้องมีการสวดพระปฏิโมก อย่างที่พวกเราทำผ่านไปสักครู่นี้แต่ว่าก็มีข้อแม้อีกเหมือนกันแต่ถ้าว่าพระราชาเสด็จเข้ามาในขณะวันอุโบสถให้ยกเลิกก็ได้หรือว่าภิกษุป่วยผีสิงอย่างเนี้ยเพือว่างูกัดอย่างเนี้ยหรือว่าโจนผู้ร้ายเข้ามางูเข้ามา น้ำไหลหลากไฟไ ห, หม้เนี่ยจะงดเว้นอุโบสถได้แต่ถ้าว่าไม่มีอุปสรรคใดไม่ลงอุโบสถปรับอบัติทุ ก, กฎนี่แหละอันนี้คือพระวินัยพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ชัดเจนตอนนั้นขอให้พวกเราเป็นผู้ใหญ่ตัวไปภายภาคนาอย่างองค์หลวงตาผมเข้าไปกราบท่านวันหนึ่งท่านก็พูดให้ผมสองต่อสอง ท่านบอกว่าเนี่ยท่านองค์นั้นอ่ะแง่พรานอยู่ในวัดก็มีมากอยู่แต่สวดพระปฏิโมกย์ย่อทำได้ยังไงฮอไม่ฟังพระปฏิโมกย์ทำได้ยังไงมันต้องฟังจะขี้เกียจได้ยังไงท่านพูดจริงจังนะวันนั้นผมฟังแล้อืออสรุปแล้วก็คือท่านสอนผมโดยในเหมือนกันผมไม่คิดว่าท่าน ท่านบอกองคนั้นท่านองค์นั้นผ่านไปแล้วในท่านองค์นั้นก็ท่านอยู่ไกลก็ไม่ได้ใช่สิทธิ์ของท่านโดยตรงแต่ที่ท่านพูดขึ้นมาต่อหน้าผมผมถือว่าหลวงตาสอนผมโดยตรงท่านก็คงจะบอกเป็นในๆว่าเมื่อท่านมีอายุพรรษามีลูกน้องมีพระอยู่ในวัดมากท่านอย่าไปสวดพระปฏิโมกข์แบบง่ายๆนะ อยเาไสโนดแบบย่อๆนะทำไมขี้เกียจทำไมไม่ฟังให้จบพระปฏิโมกทำไมพาให้ศาสนาของพระพุเทธเจ้าไม่อยู่ในกฎระเบียบหลักธรรมวินัยต้องให้ปฏิบัติฟังตามพระวินัยที่พระพุเทธเจ้าบัญญัติจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงอันนี้คือหลวงตาที่ท่าน พูดใผมฟังอย่างจริงจังและขึงขังวันนั้นผมยังจําไม่ลืมกระทั่งเดียเ๋ยวนี้ผมจะมาพูดให้ให้พวกท่านทั้งหลายฟังต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านท่านทั้งหลายก็เหมือนกันไปอยู่ท่าสถานที่ใดที่ใดอย่าไปถือว่าเป็นอุโบสถเป็นของเล็กน้อยอันนี้แหะคือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าทำและวิไน ย, ยังมีอยู่ตราบใด ศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นคือถ้าว่าพระสงฆ์ยังอยู่ในศีลในธรรมยังอยู่ในศีลเป็นผู้รักษาศีลเคารพในกฎกติกาเคารพในหลักพระธรรมวินัยอยู่พระพุทธศาสนาก็ยังอยู่ตราบนั้นแต่าเมื่อพระสงฆ์ไม่เคารพในศีลในเลวินยัยถือว่าศีลและวินัยเป็นของอครั้งพุทธการตัวเองอยากจะทําอะไรก็ทํา อยากจะกินข้าวอยากจะไปเที่ยวแต่อะไรทําไม่อยู่ในศีลและวินยัยพระพุทธศาสนากหมดได้ง่ายๆเพราะว่าพระรุ่นพี่พาธรรมพระรุ่นน้องไปยิ่งทําเหนือกว่ า, าเพราะที่สุดเลยไม่มีใครอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยพระพุทธศาสนากหมดโดยปริยายเพราะเหตุใดเพราะพระไม่อยู่ในหลักไม่อยู่ในกฎในเกณฑ์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน ให้เป็นผู้ใส่ใจในหลักพระธรรมวินัยถ้าว่าพวกเรามีศีลสมาธิมันก็เกิดขึ้นได้ปัญญาก็เกิดขึ้นได้ถ้าพระไม่มีศีลทำอะไรยุ่งเหยิงวุตวายไปหมดจะมานั่งสมาธิจิตจะสงบได้อย่างไรเพราะเราทำผิดมีเรื่องนั้นมีเรื่องนี้กดระเบียบไม่มีไปฆ่าเข้ามา ไปทำผิดศีลมาแล้วจะมานั่งภาวนาจิตจะรวมสํารวมจะสงบได้อย่างไรแต่ถ้าว่าพวกเราสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็นั่งภาวนาใจจิตใจของเราก็เข้าสู่ความสงบได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่ากายกับวาจาของเราเนี่ยไม่มีโทษแล้วสํมรวมกายวาจาแล้วจากนั้นเราก็นั่งสมาธิใจของเราก็รวมสงบลงเป็นหนึ่งได้ ในเมื่อจิตใจรวมสงบผ่านความสงบแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาหรือเดินหรือเดินวิปัสสนาก็เป็นวิปัสสนาเดินปัญญาที่แท้จริงรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมคำสอนเพื่ออะมันเกี่ยวเนื่องกันศีล ส, สมาธิปัญญาถ้าเป็นคนไม่มีศีลสมาธิก็ไม่เกิด แล้วปัญญาจะเกิดได้อย่างไรเพราะเราคิดปุงฟุ้งไปทางอื่นอยู่ตลอดใจไม่เป็นสมาธิเมื่อใจไม่เป็นสมาธิใจไม่อยู่กับตัวใจปุงฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเหมือนกับคนบ้าอย่างจะคิดอ่านให้เป็นเรื่องเป็นเราเป็นสิ่งเป็นอันสิ่งควรไม่ควร้จะคิดเป็นตัวเลขคิดแบบบวกลบคูณหาระจะคิดได้ยังไงเพราะอะไรเพราะเขา คิดปุ่งฟุ้งอยู่ตลอดมันคิดไม่ออกจะให้เขาบวกลบคูณหารไม่ได้คนที่เป็นบ้าคนที่จิตใจปุ่งฟุ้งสั่นถ้าคนที่มีสมาธิดีจิตนะใจที่นิ่งสงบจะคิดเรื่องอะไรอ่านเรื่องอะไรคิดเรื่องอะไรเป็นเหตุเป็นผลทั้งนั้นเพราะนั้นเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสาคัญสำหรับพวกเราท่านทั้งหลาย เพราะนั้นเรื่องศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมันไปแนวแถวเดียวกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านทั้งบวชพระเก่าทั้งพระใหม่อย่ามองข้ามเรื่องศีลและวินยัยเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกองนะวันพระอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านให้ปรารภถึงพระวินยัย<ม>เรื่องศีลและวินยัยให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพระพุทธเจ้าปรินิพาน พระมหากัจจปะเป็นประธานสงฆ์ทำสัตบัรณครูหาประชมุมสังขารนาเป็นครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าปรินิพานได้สามเดือนมหากัจจปะเป็นประธานท่านก็ถามพระคณะสงฆ์เราจะพูดเรื่องอะไรก่อนจะสังขารนาเรื่องอะไรก่อนหลักพระธรรมวินัยพระสงฆ์ก็ลงมติเป็นเอกอฉันว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่า ศีลและวินัยยังอยู่ตราบใรศาสนาของเราตถาคตยังอยู่ตราบนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องวินัยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งในบรรดาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจงสังขา ย, ยนาพระวินัยก่อนจากนั้นท่านก่อนยกพระอุบาลีพระอุบาลีที่เป็นผู้เลิศได้รับเอตถะคะจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายเกี่ยวกับวินยัย ความจำเกี่ยวกับวินัยกฎทะเบียดให้เข้าว่าเป็นพิพากษาชั้นเลิศในการวินิจฉัยคดีความได้รับเอธะทะจากพระพุทธเจ้าจากนั้นพระมหาระจปะก็เป็นผู้ชักถามเรื่องวินัยตั้งแต่สิกขาบทแรกจากนั้นพอพระวินัยจบแล้วก็ถามพระอนนลเรื่องพระสูตรความเป็นมาของพระศาสนาความเป็นมาแต่ละ เรื่องราวเป็นยังไงพระพรทองค์ตัดกับใครเทศไว้ที่ไหนเรื่องราวอย่างไงพระอนุนเป็นผู้พูดเกี่ย ว, วพระสูตอะมากมายเลยกันนี่ระสูตรที่พระอนุนอธิบายนี่แหละความเป็นมาของหลักพระธรรมวินยัยที่พระสงฆ์ร้วนแต่เป็นพระอรหันห้าร้อยรูปนะทําประชุมกันที่ทํามสัตตบัญ นี่กุงราชคือพระเจ้าอาชาชัตรูเป็นศาสนาประถมพกในครั้งนั้นนี่แหละนั้นก็คือรวบรวมหลักพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่จากนั้นก็เมื่อเป็นหมวดหมู่แล้วก็พระสงฆ์ทางหลายก็ได้ท่องบนสาทยายแบ่งแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นสาขาเพราะสมัยนั้นไม่มีไม่มีตัวหนังสือบันทึก ไม่มีพระไตรปิฎกเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานไปตั้งหลายร้อยปีสองสามร้อยปีจึงมีหนังสือบันทึกทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ในยุคนั้นมีแต่แบ่งสายกันใครจะท่องบนสายตายายเกี่ยวกับวินัยใครจะท่องบนสายตายายเกี่ยวกับพระสูตรใครจะท่องบนสายสายายเกี่ยวกับพระธรรมพระอภิธรรมอ่ หรือปมรมาตธรรมเนี่ยแบ่งสายกันพอจะให้เรียนทุกองค์ทั้งสามปีดกความจำคงจะเรือนลางไปได้เพราะนั้นในครั้งพุทธการที่ท่านรักษาพระพุทธศาสนามาในยุคนั้นสมัยนั้นถ้าเราได้ศึกษาดูแล้วเป็นเรื่องที่จุงยากพอสมควรต้องอยู่ด้วยศรัทธาจริงๆ ศรัทธาเนี่ยคือความเชื่อในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแบ่งให้การทำแล้วก็ต่างคนก็ต่างท่องบนสาธยายที่ได้ไดรับหน้าที่มาแต่พอมาถึงยุคสมัยนี้ท่านก็มีหนังสือบันทึกใส่ใบลาน บ, าบันทึกลงเป็นหนังสือเป็นพระธรรมคำสอนขึ้นมาอันนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกพวกเราจึง ได้ไปมีแต่ค้นคว้าศึกษาเท่านั้นเองพวกเราก็ยังว่ายากลําบากแต่สมัยครั้งกันนุน่ะต้องท่องบนสาธยายนะยังเล่าท่องพระปฏิโมกย์อย่างนี้นะท่องทุกสูตรทุกสูตรทุกสูต ร, ตรเพื่อความจําเพื่อรักษาพระไตรปิฎกเอาไว้นี่แหละการสืบทอดพระพุทธศาสนาถ้าเราได้ศึกษาเราได้เรียนรู้แล้วไม่ใช่ธรรมดานะเป็นเรื่องที่ น่ากรกนับถือเรื่องเลื่อมใสพระประมาจารย์ในยุคสมัยก่อนเก่าที่ท่านดำรงทรงศาสนารักษาพระศาสนาเอาไว้เพราะนั้นพวกเราที่ได้รับธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาถึงยุคนี้สมัยนี้กันนะว่าเป็นบุญกุศลของพวกเราอย่างมากให้พวกเราวิเคราะห์ดูเถอะเรื่องวิญัยก็ดีเรื่องธรรมพอดีเรื่องพระสูตรพระวินยัยพระไตรปิฎก แต่เราอ่านเราศึกษาโดยแล้วก็ล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลในเรื่องนั้นๆะแต่โดยจะค่อยอย่างยิ่งเรื่องภาคปฏิบัติทางด้านจิตใจตัวนี้แหละที่พระพุทธเจ้าเน้นหนักพระสงฆ์ทั้งหลายเน้นหนักอ่าเรื่องพระวินยัยก็คือกดระเ บ, บียบท่านเองคล้ายๆปัตตล่อมเป็นคอกเป็นรั้วไม่ให้จิตใจออกไปนอกลูกนอกทาง ให้เดินไปตามแนวแถวเดินไปตามทางนะสินสองรอยี่สบเ็ดเหมือนกับรั้วกัน้นสองฝากฝั่งไม่ให้จิตใจของเราออกไปนอกรูนอกทางนะนี่แหละเพื่อให้เดินไปตรงแนวต่อมรรคผลนิพพานนะต่อนนี้ไปก็สวดท้ายพระปฏิโมกขนะ์ะทีนะ